ไม่มีความรังเกียจเดียดฉันต่อผู้ใดจะอยู่กับใครก็ได้และยินดีต้อนรับทุกคนสภาพนี้ได้มีตลอดมาในประเทศไทยที่เป็นดินแดนพุทธศาสนาแต่เมื่อสถานการณ์ของโลกและบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปและในสภาพโลกาพิวัติที่เหตุการณ์ความเป็นไปทั้งหลายในโลกส่งผลถึงกันนี้ก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะทาอะไรอย่างไรเพื่อให้สภาพที่ดีงามนี้คงอยู่ต่อไป